What? فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ ح َ م ِ ي د wo oh ك บีไม่เลี้ยสักบีเหียมรู้ فلا تطيعهم وصاحبهما م و, و ص ح ب ه م ا, ا ه في الدنيا م ع ر و ف و ا ت ب ع سبيل من أناب إ ل ي و ا ب ع سبيل من ن ا ب إ ل ي ثم إليه مرجعكم فأُنبِيُكم فأُنبِيُكم بما كنتم تعملون فأُنبِيُكم بما كنتم تعملون تبارك و ت ل ا ت ل َ بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم ب ِ ك a أ َ k a h أصبحنا وبك أمشينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ اللهِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ م َ عَسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء َِ وَهُوَ ا ل س َّ م ِ ي ع ُ ا ل ْ ع َ ل م رضيت ب ا, إ, إ, أ ب ل ل ه ر าฮ وبالإسلامدين และ م ิมุ الرسولاللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبراللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرةاللهم إني أسألك العفو والعافية في دني ي วันนี้และวันพรุ่ ي a s s a l a m u a l a น k u m w a r a h m a t u l l a h ่วยเห a ือ a ากพระเจ้า ทำเนื่องจากพี่น้องที่ร่วมนมาศูโบที่มัสยิดของอัลลอฮ์ครับและพี่น้องที่ติดตามรายการที่อยู่ที่บ้านนะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุภาห์นูวะตาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ได้นอนหลับไปเมื่อคือนนี้แล้วได้ตื่นขึ้นมาได้มาขอบคุณอัลลอฮ์สิเกตถึงอัลลอฮ์ผ่านการนมาศูโบแล้วก็นมาสุนัดก่อนนมาศูโบสองเราก็อัด ซึงทั้งหมดเหล่านี้เรากำลังปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอ์ที่ผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลออะลัยฮิวะสัลลัมเป้าหมายที่อัลลอ์สร้างมนุษย์มานั้นมีอยู่เป้าหมายเดียวลียะอบูดูนเพื่อให้มนุษย์และยินเพื่อให้ยินและมนุษย์เนี่ยมามาพักดีต่ออัลลอ์มาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอ์นะครับ และคําสั่งนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในคัมภีกรุรอานส่วนสุนนะที่ท่านนาบีให้รูปแบบไว้เรียกว่าสุนนะเนี่ยมีอยู่สามรายการจากอัลกุรอานนะครับแล้วก็จากสุนนะเนี่ยสุนนะอธิบายอย่างนี้มีอยู่สามรายการนะสุนนะเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ท่านนาบีพูดพูดพูดพูดพูดเป็นสุนนะหมดเลย จะพูดทิมักกาจะพูดทิมา ด, ดีน่าจะพูดในบ้านจะพูดที่ไหนก็ตามที่ท่านนาบีสอนนั้เป็นสุนัขหมดเลย 2. ที่ท่านนาบีได้ปฏิบัติจะปฏิบัติกับภรรยาปฏิบัติกับลูกๆปฏิบัติกับสบัฮาบะจะปฏิบัติทีมัสยิดแม้แต่ ว, วิธีการเข้าห้องน้ำของท่านนาบีก็เป็นสุนัขของท่านเป็นสุนัขของพวกเราในวันนี้หมดเลย แล้วก็ประการที่สามนบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ทำแต่สฮับบะทำนบีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนบีก็พอใจแต่บางทีสฮับบะทำเหมือนกันแต่ว่านบีไม่พอใจก็มีขอยกตัวอย่างมีสฮับบะคนหนึ่งมีชายคนหนึ่งในสมัยนบีอาบน้ำนมัมา์พออาบน้ำนมัมาเสร็จแล้วก็เดินผ่านหน้านบีนบีเห็นอะไอที่ ที่ส้นเท้าเนี่ยน้ามันถูกไม่หมดนบีก็บอกว่าวายลุลลิลอากอบนรกนรกนะจะกินถ้าตุ่มคุณเราก็ไปอาบน้ำนำมาสมานี่แสดงว่านาบีเห็นคนคนหนึ่งไปอาบน้ำนำมะสารพอเดินผ่านหน้านาบีนบีมองแสดงว่านาบีเนี่ยสังเกตคนนะไม่ใช่สอนศาสนาแล้วไม่รับผิดชอบต้องดูแลอะไระอะไรอีก เห็นอาบน้ำนำมาดเท้าเนี่ยยังยังล้างไม่หมดเลยนบีก็าำนิใช้ภาษาแรงนิดไหวลุนลิลอากอบแปลว่าความวิบัติจะเกิดขึ้นกับตาตุ่มของคุณไปอาบน้ำนำมาดใหม่อีกคนหนึ่งนะครับสอบ่านบีมานนมาซุบอ์กับท่านนบีพอให้สลามเสร็จแล้วแล้วก็ยืนนมาดอีกสองรากา น บ, บีถามว่านี่ยืนนมาทําไมเขาบอกว่าฉันไม่ได้นมาสุนัตก่อนนอมาสุโมาไม่ทันพอมาเห็นน บ, บีก็มาถึงมาเิดเห็นน บ, บีเป็นอิหมามนมาแล้วเลยยังไม่ได้นมาสุนัตก่อนนอมาสุโซึ่งเป็นสุนะนะโมอกครานบีทําให้เคยขาดฉันเลยเอามาทําหลังนมาทน บ, บีก็นั่งเงียบแสดงว่าน บ, บีพอใจนี่เป็นสุนนะของท่านน บ, บีแค่นั้น สุนานะนบีแบ่งออกเป็นกี่อย่างนะสามอย่างหนึ่งสิ่งที่ท่านนาบีพูดพูดพูดพูดพูดสองสิ่งที่ท่านนาบีปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่สัฮาบ้านาบีปฏิบัติตอนหน้าท่านนาบีนบีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนบีก็พอใจแสดงว่านี่เป็นสุนนะของท่านนาบี ได้นะรเพราะว่าชีวิตเรานี่ผูกพันกับอลัลกุรอานและผูกพันกับสุนนะของท่านนาบีตลอดขอบคุัลเรารอดพี่น้องที่เราทบทวนกุรอานกันนี้นะอาทิตย์ละครั้งรอชั่วโมงเดียวนี่ทํามาเป็นปีที่ไหน่ยปีที่สามสบเอ็ดแล้วน่ะก็นึกถึงวัวหน้าฮายเฉ ล, ลิมเองหมด ัอฮัมดูลิแ ล, นะล้วนะครับขออุญาต่อลาให้ทุกคนมีบรญกติกในชีวิตนะมีริสกีที่ฮาลลานเพิ่มพูนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะแล้วก็มีอิมาอานเยอะๆมีคนถามผมนั่งคุยกันก็บอกว่าเสาเข็มที่ตองอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าหน้ามสัสยิดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะรองรับอาคารหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้น ยิ่งตอมกมั่เท่าไหร่แข็งมากงเท่าไรก็ ร, รับอาคารสูงได้มากมากขนาดนั้นและอิสลามมีเสาเข็มไหมพวกมีเสาเข็มนี่มองไม่เห็นเสาเข็มก็คือ إ ม م ا ن อิมานหกต้นอิมานต่ออัลลอฮ์อิมานต่อรอสูลอิมานต่อคัมภีอิมานต่ Allah, อม า, าลอม า, อ, าลอิกะอิมานต่อ ว, วันที่亚马และอิมานต่กกอกฎกอดอกดอกอดัของอัลลอฮ์ใครที่เรียนรู้เรื่องหก หกหก إ ي م หข้อด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะนั่นคือเสาเข็มเสาเข็มที่แน่นที่สุดพอถ้าเข้าใจหลักอีมานหข้อนี้นะมาอยู่บนโลกดุนยาไปนี้เจอปัญหาหนักๆ น, นะใจไม่แขวถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ในหลายๆเรื่องนะใจไม่แขวะครับอนะทำนีดีได้ไม่ดีนี่งาเสาเข็มฉะนั้นที่มาเรียนคุรอ่านนะเพื่อจะตอกเสาเข็มหัวใจเรา ตอกอิมานของเราให้แข็งแกร่งตลอดเวลาท่า น, นเวลามีปัญหาเดือดร้อนมาเนี่ยเรานั่งเฉยๆนึกถึงอัลลอฮ์ได้อา้าวมีพอมๆกันลูกตายบังเอิญนะลูกตายภรรยาตายในเวลาเดียวกันเนี่ยสามคนยกตัวอย่างหนักหมดเลยอ่ะแต่ถ้าท่านอิมานเราเข้มเนี่ยไม่มีปัญหาอา้าวลูกตายภรรยาตายมีพอทรัพย์สมบัติสูญเสียอีก รถเบนซื้อมาใหม่ๆพังหมดเลยอ่ะทรัพย์สินเสียลูกเสียภรรยาตายต้องนึกอ่ะถ้าอิมานเราเข้มนะเสาเข็มเราแข็งอลลอถูกทดสอบถูกพายุอะไรมาก็ตามไม่สะเทือนเลยเลย <S <S <ๆ>นี่คือความดีที่เราเข้าใจอิมานเข้าใจอิสลามแต่เพราะอิมานเป็นเสาเข็มนะครับที่มองไม่เห็นเสาแต่อยู่ในหัวใจของเรานะครับ ขอบคุณนล้อครับวันนี้เรามาถึงอายาที่สิบสองอายาสุร้ลุกมาลุกมานี่เป็นชื่อคนนะลุกมานี่ชื่อคนแล้วก็เป็นทาตด้วยแล้วก็ผิวดาด้วยริมคิ ป, ปากทั้งสองเนี่ยหนาด้วยแล้วก็มาจากประเทศเอธิโอเปียแล้วก็แต่มีความรู้ดีอ่าตรงนี้สอนเราหลายๆอย่างนะ ห้ามไม่ให้คนที่หน้าตาหล่อๆหน้าตาดีๆผิวสะอาดๆ อ, อย่างกับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ห้ามดูถูกคนที่เป็นคนผิวดำห้ามดูถูกคนที่เป็นคนเตี้ยห้ามดูถูกคนที่มีอาชีพเป็นทาสหรือว่าเป็นคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรก็ตามอย่าไปดูถูกนะครับเพราะลูกมาเนี่ยเป็นคนประเภทที่เล่ามาทั้งหมดไี่แหละ ความม่ดีอยู่ที่ท่านหมดเล ย, เยแต่ของดีมีอยู่อย่างเดียวคือมีเฮกมะมีความรู้เอาหล่อฉะนั้นต้องยกย่องอ่ะต้องยุกย่องคนให้เกียรติคนมีชามีช า, วชาวความรู้ต้องให้เกียรติเขาเราเองมาันการมีความรู้ที่ตั้งอยู่ในมัสยิดเนี่ยทุกคนก็ต้องให้เกียรติเพราะเาตั่งอ่านคุรานอยู่เนี่ยตั้งอ่านตับซีตอยู่ <c oughs> ใช่ไหมลฮามเดลิล่ะ ولا قد أتينا لقمان الحكمة أن, الح أن يشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الحمد لله و َ ل ق د أ ت ن ا لقمان الحكمة أن يشكر ال لله وما يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الحمد لله อยายะกุรานอายะนี้นะครับพี่น้องต้องการที่จะสอนบอกกับนบีอ้าอาลัลลอฮฺประทานอยายะนี้บอกกับนบีบอกบอกว่าเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือความรู้เนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยหมายมถึงความโปรดปรานที่อลัลลอฮฺประทานให้เนี่ยคือความรู้บอกกับนบีมุฮัมมัดแล้วก็บอกพวกเราที่อ่านคุรานวันนี้ด้วย ต้องยกย่องให้เกียรติความรู้และความรู้เนี่ยไม่ใช่ตัดสรู้เองนะเข้าใจนะรู้เองได้ไหมไม่ได้ทั้งหมดนั้นมีผู้ให้มีผู้ประทานให้ฉะนั้นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่คือความรู้เนี่ยมัดที่รองลงมาก็คือเงินเนี่ยมัดที่รองลงมากับภรรยา ลูกที่เป็นเนี้ยมาทั้งหมดมีบ้านมีช่องมีนู่นมีนี้อะไรก็อางนี้เป็นเนี่ยมาทหมดแต่ถ้าความรู้ไม่มีอิมานไม่มีอิสลามไม่มีบางทีเรามองบ้านเนี่ยไม่มีราคาเลยมองภรรยาโฆษหาได้หาคนสืบคนโฆษาได้แต่ถ้ามีมีรมีให้กมามีความรู้มีอิมานมีตักว่าต้องนึกเยอะฉันต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเพราะอัลลอฮ์ให้มีภรรยามีบ้านมีที่ดิน มีของช้ เ, เล็กๆน้อยๆต้องต้องสู้อยู่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตะลานี่ยอัลลอฮ์เตือนนบีใหนบีมาสอนเนแล้วเตือนพวกเราวันนี้ที่อ่านคุรานว่าเรื่องเนอมัดที่ยิ่งใหญ่ก็คือความรู้ที่เราอ่านกุรานออกต้องขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณครูที่สอนคุรานเราด้วยขอบคุณพ่อแม่เราที่ให้เราไปอ่านกุรานแต่สมัยตอน เ, เด็กเนี่ยเราอาจจะลืมภาพไปหมดแล้วอ่ะ ต่คูนี่เตือนให้นึกว่าเราก็อาใจนาลูกมานาลให้มาเราก็แปลว่าแน่นอนยิ่งนี่ก็แท้จริงนั่นะโดยแน่นอนยิ่งอาใจนานี่ยเราเตือนนะฉันเราเนี่ยฉันเนี่ยเรานี่ได้ประทานให้เห็นไหมพอขึ้นต้นก็อาใจนาเราได้ให้ แสดงว่าทุกเสียงทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยให้กับใครครับเราได้ประทานให้ลุกมา น, นี่ชื่อคนท่านพี่น้องทราบและนึกในใจว่าเออสีผิวดำตัวเตีย้ยแล้วก็ปากริมฝีปากหนาดอกเท้าก็นหนาโอ้พี่น้องมีตั้งใจอ ธ, ธิบายละเอียดยิบเลยนะก็เข้าใจภาพเราลมองภาพออกนะ ประทานอะไรให้กับลูกมันอัลฮิกมะฮิกมะแปลว่าความรู้วิทยาปัญญาอัลลอฮ์ฉะนั้นทุกคนที่มีความรู้เนี่ยคนนั้นมีฮิกมะฉะนั้นคนอ่านกุร า, านเนี่ยได้ฮิกมะทุกคนได้มากได้น้อยอัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันผมสอนไปพี่น้องที่นั่งรับผิดชมบนั่งฟังอยู่ที่นีเนี่ยนะอาจจะเข้าใจกุร า, านดีกว่าผมก็ได้ เราไม่รู้แต่เราชี้นำเอาไว้ก่อนบางทีอัลลอฮ์ให้คนฟังนะเข้าใจเข้าใจคุรานมากกว่าคนสอนอีกก็ได้นะครับแล้วก็นบีก็สอนอีกนะขอฉันขอดูอ้างต่ออัลลอฮ์คนที่ฟังฮะดิษจากฉันหนึ่งบทแล้วก็จําให้ดีแล้วเอ า, าไปสอนต่อขอให้คนคนนั้นมีอะไรนะขอให้ตัวของเขามีเขาเรียกว่านัดดอลลอให้มีอะไรอนะ่ะ นัดดอรมีความสดชื่นอ่าให้คนที่ฟังนบีหนึ่งฮะดีสแล้วก็จำฮะดีสหนึ่งฮะดีสนะเอาไปสอนต่อเนี่ยนะให้คนคนนั้นน่ะมีใบหน้ามีหัวใจมีร่างกายมีสมองที่สดชื่นอยู่ตลอดเวลานัดดอโรลล่าห์นี่นบีขอดูอาให้คนที่เรียนเรียนาศาสนาเรียนกุลอาเรียนหะดีสเห็นไหมขอให้มีหัวใจขอให้มีสมองขอให้มี ร่างกายที่สดชื่นหรือใบหน้าที่สดชื่นตลอดเวลานบีขอดุาตแล้วนะและอัลลอ์รับแล้วนะนท่านคนจะเรียนศาสนานี่อลัลลอฮ์ดีหมดนะวละลาก็ได้ใจนาลุกมานั่ลให้ขึ้นมาโดยแน่นอนยิ่งเราอัลลอฮ์ได้ประทานวิทยาปัญญาแก่ลุกมาอัลลอฮอักบัดวิทยาปัญญามาถึงมาถึงให้ขึ้นมาอ่าเนี่ยอัลลอ์ให้นะ ท่า น, นคนมีความรู้มีอะไรวะเนี้เยอะยิงไม่ได้ต้องชุก ต, ต่อรอดต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆฉันมีนั่นมีนี่มีนี่มีนั่นบางคนมีตั้งยุ่ยเยอะมีเงินเป็นร้อยรอยล้านมีไหมมีต้องนึกนี่อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่มาเองนะครับไอคนที่นึกว่ามาเองกูหาเองใครรู้เป่าอกอรูนอ่าเห็นยังเราผ่านมาแล้วแล้วเป็นไงครับอัลลอฮ์ให้แผ่นดิน สู ah ่เพ mm. ื่อจะสอนนบีสอนพวกเราวันนี้อย่าทำตัวเย่อะยิ่งจองหองอวดดีเมื่ออัลลอ์ให้มาแล้วลืมนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์ไม่ได้ต้องนึกกับเมื่อได้ความรู้มาแล้วเป็นไงครับอานิสกุรลลลออัลลอฮฺอักบะดอานิสกุรลิล อนิชกุรลิลจงขอบพระคุณ Allah จงขอบพระคุณ a ล l a h เนี่ย Allah เตือนเนบีโดยเล่าให้เนบีหมาฟังว่าชีวิตของลูกมาเนี่ Allah ให้ความรู้กับลูกมานะครับเล่าให้นบีฟังบอกว่าให้ลูกมานั่นขอบคุณ a l l อ h ล l l a h Allah เนี่วางแผนชั้นหนึ่งเลยนะแผนของ Allah เนี่ยชั้นหนึ่งจริงๆนะครับ แล้วก็การขอบคุณอัลลอฮ์เดี๋ยวอธิบายว่าชุกรตอลัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้การขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยได้ได้กับใครวาไมยัชกุรผู้ใดที่ขอบพระคุณฝ่าอินนามะยัชกุรุลีนฟัฟซิการขอบพระคุณนั้นน่ะได้กับผู้ที่ได้กับตัวของเขาเองเข้าใจไห เอา ล, ล้อจัดเอาไว้เลยใครที่ขอบพระคุณขอบพระคุณเอา ล, ล้อเนี่ยนะการขอบพระคุณนั้นกลับไปหาใครกลับไปหาตัวเองนับสี่หมายถึงตัวของเขาเองการขอบคุณเอา ล, ล้อหมายถึงรู้คุณสนองคุณเอาล้อเขาสนองตัวของเขาเองประโยชน์ได้กับตัวของเขาเองไม่ได้กับคนอื่นครับได้กับตัวเอง ท่คนที่มีวิชาความรู้นี่นะถ้าเข้าใจกรุรอานแล้วนะเขาจะไม่เย่อหยิ่งเขาจะวางตัวของเขาเนี่ยนอบน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเพราะอายาคุรอาน อ, อาอยานี่สอนไม่ให้เราเนี่ยเย่อหยิ่งจองหองอวดดีวางท่าเตะท่านี่ไม่มีครับยิ่งมีความรู้เท่าไรก็ตามจะรู้สา ม, มัญหรือศาสนาก็ตามพี่น้องเขาจะวางตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเช่นนบีมุฮัมมัดไม่เคย ไม่เคยเตะท่าเลยสะบูบากาอุสมานอาลีสนาอุมัรบุคคลเหล่านี้เรียนหนังสือกับท่านนาบีได้ฮหกมากไปเยอะแต่พวกเขาไม่เคยเย่อหยิ่งชงหอ ง, อ, งอย่างนี่คือตัวอย่างครับต่อมาครับวามังกาฟาระกาฟาร์ผู้ปฏิเสธกาเฟตนะล่ะวามังกาฟมันกว่าผู้ใดผู้ใดที่ปฏิเสธคือไม่ขอบคุณนัหอ ได้ความรู้มาแล้วไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ได้บ้านมาแล้วไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ได้ภรรยามาบางคนได้สองคนสามคนไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ได้รถมาโอ้ลูกคันหนึ่งภรรยาคันตัวเองคันหนึ่งไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เลยเป็นไงครับฝ่อินฟาอินอัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์นั้นกอนียุนกอนียุนแปลว่าอัลลอฮ์ร่ำรวยที่นี้แปลว่าอัลลอฮ์ไม่พึ่งมนุษย์ใครไม่เอาอัลลอฮ์ ใครไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ อ, อลัลลอฮ์มีอย่างเหลือหลายอัลลอฮ์มีทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้เป็นของอลัลลอฮ์หมดเลยอ่ะ่กลัวอะไรล่ะถ้าคุณคนเดียวไม่เอ า, าอัลลอฮ์เชิญแล้วใครใครอ่ะใครพินาศอะคุณเองพินาศฉะนั้นใครทําใครได้ทําไม่ทายใครไม่ทําใครไม่ได้โอเนี่ยอัลายนีสอนนะครับฟาอินอัลลอฮะกอนียุน แท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมีอย่างเหลือหลายพ้นจากความต้องการใดๆของมนุษย์อลัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรจากมนุษย์จะได้มนุษย์ขอบคุณอลัลลอฮ์มนุษย์ไปเรียนหนังสือมนุษย์ไปบริจาคมนุษย์ได้งเงินได้ทองมาความดีได้กับคุณหมดเลยคุณอื่นไม่เกี่ยวนะแต่ไอัพ่อทํานี่บางทีมันก็ถึงลูกด้วยนะเนี่ยหลายคนนี่นะครับ ถาว่าลูกใครอ๋อลูกคนนี้เพราพ่อก็เป็นคนดีใช่ไหมสอนศาษาบริจาคทําน้นทํานี่ถาว่าลูกใครลูกคนนี้สังคมให้เกยียจอัตโ น, นมาติเลยโอ้โห้เกียจทำอยู่เลยแล้วความจริงได้กับคนเดียวแล้วแต่อิทธิพลมันถึงลูกหลานได้หมดเลยใช่ไหมอย่างแชมปมิงตัวปู่สองคนเนี่ยที่เขาดูแลนี่บริจาคที่เนี่ยให้กับคนในความเขตเนี่ยคนนึกถึงอะ่ะแล้วนะผมนึกถึงตลอดเวลาแนละ้วล้อกันมา บริจาคที่เขาขายมุลเลยก็ได้แต่เขาให้ทวากับทําน่นทํานี้ทานี้ทานั่นจึงมีมัสยิดในวันนี้ต้องขอบคุณอัลลอ์ที่ยิ่งใหญ่มเมลอเนะครับทีนี้ถ้าผู้ใดที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ขอบคุณอัลลอ์นะ่าอินอัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์นั้นกรนียุนมีอย่างทรงมีอย่างเหลือหลายฮามีดุนผู้ได้รับการสรรเสริญ อัลลอฮ์เนี่ยนะเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาพี่ต้องต้องนึกสิเอ้าเสียงอาจารย์เสียงอาจารย์แล้วเนี่ยเวลาในโลกต่างกันไหมอ่าคนเรียนหนังสือมารูปหมดเลยเนี่ยจะมีเสียงอาจารย์เนี่ยขึ้นไปบนชานไฟตลอดเวลาเลยไม่มีหยุด น, นเพียงแต่สองสามนาทีก็ไม่หยุดเลยครัแบบเห็นยังครับอ่าประเทศไทย มาสบโบร์ในอเมริกาเพิ่งเพิ่มกลางคืนใช่มการมาอิชากันมารีบการท่านยังทั่วโลกนี่นะจะมีเสียงอาญาเนี่ยกะหึมขึ้นไปบนชั้นฟ้าอยู่ตลอดเวลาฮามิดุนได้รับการยกย่องสรรเสริญอัลลอฮฺได้รับการยกย่องสรรเสริญครับทุกทสิ่งทุกอย่างเนี่ยก้มสุยุตว์อัลลอฮฺหมดเลยหๆๆๆๆๆ้ามเดือดริละในความยิ่งใหญ่นะอ่ะทีนี้ มาอธิบายต่อว่าลุกมากนะ่ะคือใครเกิดในสมัยไหนมีอยู่สองสองสองรายงานนะครับบางคนบอกว่าเกิดในสมัยนบีอายูบกับนบีดาวูดบางคนอธิบายบอกว่าเกิดสมัยนบีอีซากับนบีมุฮัมมัดช่วงที่ว่าอะไรนะห้าร้อยปีตรงนั้นอนะ่ะพอพระเยซูนะครับถูกยกไปบนชานฟ้า จนกว่านาบีมุ h a ม m a จะมารประมาณ500รปีนะตรงนั้นมีลุกมารมาฮาหมุนดิลิลล์นี่ครับอธิบายจากรายงนาะจากตับเซตอิบนุกซิลแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านสาดบินมุไซยิบคนนี้เป็นเป็นสาวบ้านนบีรดิยัลลอฮอนูเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความรู้นะสาวบ้านาบีคนนี้ชื่อท่านนะไรสาดบินมุไซยิบ ท่านมีความรู้แล้วมีคนนชอบมาถามปัญหาศาสนาเกเยอะหลังจากบน บ, บีตายไปแล้วนะหรือน บ, บียังมีชีวิตยากจะตายแล้วนะเสร็จแล้วก็มาถามปัญหาบางคนเนี่ยผิวดําพอมาถามปัญหาก็บอกว่าฉันเนี่ยผิวดําฉันไม่พอใจเลยเสียจกเสียใจกับผิวดําท่านสังยตบินมุส ย, ยุบก็พูดปลอบใจบอว่าก็ณจะเสียใจทำไม คนในคนที่เป็นคนผิวดํามีอยู่สามคนในโลกที่ยิ่งใหญ่นะคนที่หนึ่งบิลาลเป็นคนอาลานในสมัยของท่านนาบีอาลันท่านหนึ่งหรือเสียใจทําไมแต่นบียกย่องอลัลลอฮวยกย่องอยู่ชาสวรรค์เป็นชาสวรรค์หมดแล้วคนที่สองทาสของไซเดนาโอมาสท่านซื้อมาแล้วก็ปล่อยให้เป็นไทยชื่อมา มะยะมหยะใช่ไหมนีกคนที่สองนะคนที่สามท่านลุกมาในลายฮิสลามุูม่านคนที่กลาลังเรียนกําลังเรียนอยู่เนี่ยนี่ผิวดำหมดเลยฉะนั้นมีคนผิวดําอยู่สามคนที่เป็นคนดีกว่าเราแต่เป็นคนที่เอาล้อพอใจปลอบใจคนผิวดําที่มาถามปัญหาแล้วก็บ่นว่าฉันเสียใจน้อยใจกับผิวของฉันไม่เหมือนพวกท่านเลยท่านปลอบใจดีไหมดีมากเอยใคา เออไซนาบิลาเอ่อท่านลุกมานเออท่าของไซนาอุมัสที่ปล่อยเป็นไทยไปแล้วชื่อท่านมหยะอย่ามีปิดตดฮัมดูลิลเลอร์ครับพี่มีคําเล่าอีกลุกมานเนี่ยเป็นอย่างนี้มีอาชีพเลี้ยงแพะอยู่ในป่าอยู่ในป่านี่แหละตอนนก่อนป่าเยอะตอนนี้ทําลายหมดแล้วใช่มปิดป่าเยอะเราเลี้ยงเลี้ยงแพะในป่า แต่นี่เพื่อนๆที่เลี้ยงแพะในป่านี่น่ะมีอยู่วันหนึ่งมาเข้ามาใน ต, ตัวเมืองอะนะมาเจอลูกมารกำลังนั่งสอนหนังสืออยู่งงแล้วคนเนี่ยมาฟังจากไกลๆหมดเลยอะจากเดินทางมาจากไกลๆขี่อูดมาขี่อะไรตาอะไรมามาฟังท่านลูกมานสอนเฮ้ยนี่มันคนเลี้ยงแพะกับเราเนี่ยทาไม มายืนอบรมคนถึงขนาดนี้เขาถามว่าหลังจากจบแล้วถามว่าคุณเอาความรู้นี่มาจากไหนท่านลุกมารตอบฉันทำาก้าข้อฉันนี่นะทำเป็นความดีหมดเลยนะเก้าข้อปู่เราเอ่าไปใช้ได้เลยนะข้อที่หนึ่งันนนี่นะสายตาฉันเนี่ยไม่เคยมองของหารออย่างที่เอาล้อให้ตามาเนี่ยอย่าลืมนะพี่น้องนะ ที่สายตามาเนี่ยอะไรนะคลิบตาเนี่ยวันละกี่ครั้งนะเอารอรูมหมดเลยนะคลิบตากี่ครั้งแล้วก็จ้องมองของฮารอมเนี่ยกี่ครั้งบันทึกหมดแล้วก็จ้องมองของฮารานกี่ครั้งเอารอบบันทึกหมดเลยครับต้องนึกตรงนี้ด้วยจะนั้น ป, ป, ปิลาวว่า ง, งานชันเอ้ยลุกมาวา ง, งานชันไม่เคยมองของฮารอมข้อที่สองชันไม่พูดเยอะ <laughs> ฉันไม่พูดเยอะอัลลอ์คือนั่งเงียบเงียเป็นส่วนใหญ่นั่งเงียบงียไอ้นั่งเงียบมาทำอะไรซิกขรุลนั่งสุฮานัลลอฮ์ลฮัมดูลิลาห์ลาอิลาอิลลอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัตสุฮานัลมอลิกินกุดูใจต้องนึกถึงอัลลอ์ข้อที่สามฉันเนี่ยนะพอใจกับริสกีที่อัลลอ์ให้มาวันต่อวัน วันนี้ฉันได้ริสกีแค่นี้อัลฮัมเดลิลละทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะบางคนเนี่ยไม่ก็แฮปปี้กับริสกีที่อัลลอ์ให้ใช่ไห ม, โมโ ห, หมอหัวงดง ด, ดงดงได้มันเคยได้เมื่อวานได้ห้าร้อยวันนี้ได้สามรอยโหแย่จริงๆแต่ลูกมารบอกว่าฉันนี่นะพอใจกับริสกีที่ฮะลานที่อัลลอ์ให้มาได้แค่ไหนฉันเขาเรียกว่ากอนน ะ, อะพึงพอใจ ข้อที่สี่ฉันเนี่ยรักษาอวัยวะเพศไอ้เรื่องซีนาเนี่ยไม่มีครับ mm hmm. ข้อที่หกข้อที่ห้าเนี่ยฉันเนี่ยพูดแต่เรื่องจริงอย่างเดียวพูดเล่นเล่นก็ไม่มีพูดจริงอย่างเดียวเลยฮัมดูลิลลาข้อที่หบฉันรักษาสัญญาโอ้นี่มาเรื่องหนักๆนหมดเลยนะรักษาสัญญานี่นะ ข้อที่เจ็ฉันชอบต้อนรับแขกนี่การต้อนรับแขกเนี่ยเป็นเป็นซุน น, นะนบีครับแล้วคนบุคคลแรกที่ต้อนรับแขกในโลกเรื่อเมื่อใครต้องนึกเลยนะนบีอิบรอฮีมมาลายิสซลามคนที่มาหาท่านในวันนั้นนะเป็นมาลาอิกะท่านไม่รู้เชือดแพ้ย่างไงดีวางไว้แขกก็ไม่ยอมกิน นั่งตั้งนานแขกประกาศเองฉันเป็นมาลายกาโอ้โหล่งใจไปหน่อยเห็นไหมฉะนั้นลุกมาแนละ้วก็เอาความรู้จากนาบีอิบรอฮิมนี่แหละเอามาใช้อฉันเป็นคนต้อนรับแขกชอบต้อนรับแขกมากต่อมาข้อที่ข้อที่แปดฉันไม่ทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านนี่สอนเราด้วยนะเพื่อนบ้านเรามีกี่หลังอะ่ะอย่าไปทะเลาะ ก, กับเขาพี่น้องเขาด่าเราบ้างทําไม่ได้ยินบ้างก็ได้ ข้อที่เก้าเนี่ยฉันไม่พูดไม่เคยพูดเรื่องไร้สาระอ๋อลำดูลีเลพี่น้องเห็นอย่างครับใครที่ทำแปดข้าแปดเก้าข้อนี้นะอารอจะประทานความรู้ให้มาให้กับคนคนนั้นวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะอารอนยังประทานให้อยู่นะเพรออาร้อททำงานอาอนมาเด้นนอนเนี่ยอารอนมาในง่วงนอนไม่มีครับแล้วก็ทุกทุกนาทีเช็คตลอดเวลาเนี่ยให้คนนี้เพิ่มขึ้น ให้ตำแหน่งคนนี้สูงขึ้นนิดหนึง่งให้อายุคนนี้เสริมขึ้นเอาเงินลงหน่อยบริหารอย่างนี้อะไรบริหารมนุษย์ยังใหญ่ขนาดไหนเราทำอยู่เลยแล้วเอาต่อมาครับแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งลุกมานเนี่ยเขามีเจ้านายเนี่ยเจ้านายนี่แต่ตําสีอินกษิษอธิบายไว้ว่าเจ้านายสั่งลูกมาว่าลูกมาไปเชื้อแพะตัวหนึง่งแล้วเอาของที่ดีที่สุด ในแพะเนี่ยมาให้ฉันเจ้านายสั่งลุกม้าก็ไปเลยไปเชื้อแพะแล้วก็ตัดเอาเนื้อที่ดีที่สุดนะเอาลิ้นกับหัวใจไปให้เจ้านายเจ้านายว่าโอ้ทำได้เลยขอบคุณขอบคุณดีดีดีดีต่อมาอีสองสามวันสั่งอีกไปเชื้อแพะอีกตัวหนึ่งเอาของที่เลวที่สุดมาให้ฉันก็ตัดลิ้นกับหัวใจอลไรไปให้ เจ้านายก็ถามว่าฉันต้องการของที่ดีที่สุดจากแพะตัวนี้คุณตัดลิ้นกับหัวใจมาให้ฉันแล้วก็วันนี้ก็สั่งอีกเอาของที่เลวที่สุดจากตัวแพ่เนี่ยคุณก็เอาลิ้นกับหัวใจมาให้ฉันมันหมายความว่าอย่างไงลูกมานก็บอกว่าลิ้นหมายความว่าถ้าลิ้นน่พูดจาดี หัวใจสะอาดไม่สโปรกออกมาดีหมดเลยถ้าหากว่าใจสโปรกมันก็ออกมาที่ไหนที่ลิ้นนี่แหละถ้าหัวใจสโปรกลิ้นพูดจาไม่ดีใครเสียหายคุณเข้าใจโอ้ขอบใจขอบใจมากลูกมารคุณชั้นหนึ่งจริงๆต้องร้องว่าวันนี้เราจะประคองตัวเราให้อยู่ดีดูสองอย่างเอง ถ้าหัวใจงดงามมีอีมางที่ลึกซึ้งและพูดจาดีเป็นไงครับโอ้โหสงางามถ้าใจสกปรกเดี๋ยวมาก็สแสดงออก ท, ท, ท, ท, ที่ที่ลิ้นได้แล้วก็คุณก็เสียหายนี่เป็นเฮ็กมากความรู้ผ่านผ่านลุกมานอะลรที่สาลามอัลล้าฮักวัตรยิงยังเอาพี่น้องเอาแค่นี้นลุกมั น, นภวัตรกวันมีแค่นี้เอาต่อมาครับ คำว่าอเนชกุตลินละเนี่ยเขา อ, อธิบายยังไงจงขอบคุณอัลล์เมื่อได้ความรู้มาจงขอบคุณอัลลอฮ์อธิบายอย่างนี้ให้ขอบคุณนะมีอยู่สี่สี่ประการนะประการที่หนึ่งทุกครั้งเมื่อเราได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอ์มาให้ขอบคุณอัลลใ์ได้บ้านมาหนึ่งหลังฮามดุลิลละ ได้เรามีลูกฮามดุลิลลาเราได้แต่งงานต้องขอบคุณอัลลอฮ์มีรถหนึ่งคันฮามดุลิลลาเดินมามสัสยิดได้ฮามดุลิลลาสุขภาพเราแข็งแรงต้องขอบคุณอัลลอฮ์เนีเป็นเนี่ยมาทั้งหมดข้อที่2 อ, อย่าทรอยต์ตอเ น, นี้ยหมัดของอ AH. ัลลอฮ์คือคําอธิบายก็บอกจงขอบคุณอัลลอฮ์หมายถึงอย่าทรอยต์ตอนเนี้ยหมัดของอัลลอฮ์ที่ได้มาต้องดูแลให้ดีเอาได้ลูกมาทํำไมส่งลูกมาเรียนภาคฤดรอ้อนพราะเราเป็นห่วงลูกเรา ต้องการจะให้ลูกเราไม่ลืมเนี่ยมารของอัลลอ์ให้เด็ขอบคุณอัลลอ์ก็มาฟังศาสนาได้นะมารควบบัละหาเวลาห้มดูลิลละต่อมาเรื่องที่สามอย่าตั้งพาคีอาไรพวงี้เนี่ยมาตของอัลลอฮ์นี่นะคนอื่นให้ไม่ได้ด้วยนะคนอื่นให้ไม่ได้ถ้าอัลลอ์ไม่อนุมัติได้ไหมไม่ได้แล้วเราขอดุทิอัลลอฮุมะลามาเนี่ยริมาอัตวตอตะวะลามุตยลิมามานาตา ถ้าเอาลอให้คนอื่นมายับย่างได้ไม้มไม่ได้ถ้าเอาลอว่าไม่ให้ให้ใครจะเตรียมตัวมาให้ก็ไม่ถึงนี่เตือนสติเราตลอดเวลาจากดูอาที่เรานามานันแหละข้อที่สี่นะครับให้เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอ์ทุกรายการนั่นเขาเรียกว่าชุก็ต่ออัลลอ์ความหมายของอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺอักบตพี่น้องเราอีกคำหนึ่งครับว่าคาว่าปฏิเสธ ปฏิเสธ Allah และปฏิเสธวันกิยามะอ่าปฏิเสธ Allah กับปฏิเสธวันกิยามะสองอย่างนี้นั่นคือความหายนะของคนที่ปฏิเสธเองและกูอ่านอธิบายอย่างนี้นะมามาเอยที่ท่านสอนศาสนาอยู่เนี่ยคนที่แอนตี้ท่านมีไหมคนที่รักท่านมีไหมมีครับเอาคนที่แอนตี้ก่อนนะคนที่ปฏิเสธคำสอนของท่านเนี่ยรันีปล่อยฉัน จะไปบังคับเขาให้รับอิสลามไม่ได้ปล่อยฉันวัดมุกัสดีบีนคนที่ไม่รับอิสลามแอนตี้อิสลามไม่เอานาบีมุฮัมมัดไม่เอาซุน่านาบีและใครอีกอูลินนามาเจ้าสําราญคนที่มีดิสกี้เยอะๆคนที่มีบ้านเช่าเป็นร้อยๆหลังคนที่มีที่ดินเยอะมีดิสกีเยอะนะครับ เจ้าสำราญมีความสุขมีเงินเยอะสองกลุ่มนี้แอนตี้ศาสนาอัลลอฮ์รู้หมดครับวะมะฮิลฮุมกอลีลาปล่อยให้เขาประวิงเวลาให้เขาชั่วเวลาอันเล็กน้อยจนกับเขาจะตาเดวกฉันจัดการเองเป็นยังอ่านกูอานนยานี้โอ้ยมามัดทำหน้าที่สอนไปเลยฉะนั้นมาตัวไปบังคับใครนะครับอิสลาม ใครจะรับไม่รับเป็นหน้าที่ของฉันปล่อยให้เขาแอนตี้ไปเถอะแล้วก็ความร่ำรวยของเขาทำให้เขาลืมอัลลอฉะนั้นปล่อยฉันคนเดียวฉันจะจัดการพวกเขาให้เขาหาความสุขบนดุญยานีนหาคิวันกอรี่แลนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวหลังจากตายแล้วฉันจะจัดการที่กุโบเองโอ้โหระวังให้ดี <laughs> เอาครับ อายาที่สองอายาที่สิว่อิดุ์กาลุคมานลิบเนหีวะหัวยาอิดุยาบุไนยะละตุชริกบิลละอินน์ชริกละ ظلمعظيم ว่าอิดุกาลุคมานลิบเนหีวะหัวยาอิดุ ي บุ ن ي ย ا ลาตุชริกบิลลาอินนัชริกะลาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอลลอาฺอัลลอาฺอัลลอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลเอฮฺอัลลอฮฺเัลลอาฺอัลลอนฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮวอัลอฮฺเนี่ยแปลอย่างลี้จงนึกถึงจงรลลล นี่อัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดนะมุฮัมมัดเ อ, อ๋ยจงนึกถึงประวัติของลุกมานคําว่าอิสเนี่ยแปลไว้นะจงนึกถึงเรื่องราวของท่านลุกมานเพื่อจะเอาเรื่องราวของลุกมานเนี่ยมาสอนสฮาบ้างอ่ะแล้วก็บอกพวกเราวันนี้ที่อ่านคุร า, านตรงเนี้เราก็ต้องนึกถึงประวัติของลุกมานแระเอาไปสอนต่อไงเอาไปสอนลูกพรอรยาหรือออก ทำงานศาสนาก็เอาเอาความรู้นี้ไปเลยนะเอาไปสอนต่อสอนว่าไงครับกอลลูกมานูรอิบนีเมื่อกอล่าวไปว่าพูดหรือสั่งหรือกล่าวลูกมาเนี่ยอิบนีแก่ลูกของเขาลุกมาเนี่ยกำลังอบรมกําลังสอนกําลังเตือนลูกชายของเขาไม่ได้บอกวกี่คนนะ ลูกชายชื่ออะไรพีน่น้องโอในตัมซิตต้องอะนไรเล่มนะ่และเจอนะเจอมีอยู่สองคนชื่อบาบานกับอันอัมบาบานอันอัมสมัยนูน้นสมัยก่อนอนะับดุลมตัมม า, ก, มา ก, ก็ตั้งชื่อกันชช่ไรนะบาบานใช่ไรนะอันอัมอย่าง้เป็นตน วาหุยาหิรูห์แล้วครับขณะที่ลูกมาเนี่ยกําลังวาอัลลอฮฺยาหิรูหแปลว่าอบรมหรือสั่งสอนอืจงราลึกถึงนะประวัติของลุกมานที่สอนลูกของเขาเชื่ อ, อไรบาบานหรืออานามสองคนเนี่ยนะขณะที่เขาสอนลูกของเขานั้นเขาสอนเรื่องอะไรที่อัลลอฮฺพอใจจะนําเรื่องนี้มาเล่าให้นบีฟัง ล้วให้พวกเราฟังวันนี้รู้ไหมเขาสอนเรื่องระไรถึงเรพอใจมากเขาสอนอย่างนี้ยาบูไนยะเวลาเรียกลูกต้องเรียกดีด้วยนะไม่ใช่ไ <laughs> อหิ้มยาบูไนยาโอลูกจ้า <laughs> เห็นยังครับ <laughs> พ่อเรียกลูกต้องเรียกเต็มเต็มไม่ใช่ไอ <laughs> มัดมุฮัมมัดอัลลอ์ต้องเรียกดีดีอัลลอฮ์ให้ไหมท่าใครจะเรียกลูกเราเต็มหรือไม่เต็มอยู่ที่พ่อแม่เรียกก่อน ถ้าพ่อแม่เรียกชื่อเต็มนะชาวบ้านเรียกเต็มหมดเลยถ้าพ่อแม่เรียกไม่เต็มชาวบ้านก็เรียกลูกเราไม่เต็มเหมือนกันเอานี่ยเราสอนนบีนะเวลาเรียกลูกเรียกไงนะยะบูไนยะโอไม่ดอเตอร์โอไม่ซันลูกลูกลูกฉันลูกเอลูกเอ๋ยและตุชริกบิลยะตั้งภาคีชิริกเนี่ย อย่าตั้งภาคีบิลละกับอัลลอฮ์คำพูดนี้ตัางหางที่อัลลอฮ์พอใจเอามาเล่าให้นะบีฟังให้ดบีแบบพูดอย่างนี้กับประชาชนนะลาตูชริยบิลละอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบะตมีดาวาไม่มีมีตะอคอกว่าไม่มีททั้งทั้งเรืบางทีเรกันนึกแห ม, มต้องอดทนหมดเลยไงนี่สอนวิธีการดาวาคน สอนวิธีการเรียกร้องคนผู้จะพ่อเพรา ะ, ราะยาบุไนอะโอ้ลูกจ๋าพี่น้องที่รักทั้งหลายและตูชริกบิลละสิ่งแรกนะอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์พาคีอธิบายยังไงล่ะอ่ะอย่างโตตะเกียรเนี่ยเราเอาอัลลอฮ์ด้วยแต่ไปหาโตตะเกียอีกก็ ต, ตะเกียรช่วยหน่อยอะฉันเนี่การอัลลอฮ์เนี่ยมันเข้าไม่ถึงต้องผ่านท่านอะอันนี้ผิดนะเรา่าผ่านฉันตรงๆไม่ต้องผ่านโตตะเกีย เขายกตัวอย่างยังไงได้ไหมใช่ตอนเนี่ยเวลามันขออัลลอฮ์ผ่านใครเป่ามันขอตรงเลยอัลลอฮ์จะย่าเพื่อให้ฉันลงนรกวันนี้ให้ฉันอยู่คู่กับมนุษย์ฉันจะหลอกมนุษย์ของที่อัลลอฮ์สร้างมานั่นแหละให้ตกนรกเหมือนฉันเอลเราเอาเอาเอ า, เอาแล้วมันมันขอผ่านใครอะ่ะมันไม่ได้ผ่านใครใช่ตอนเนี่ยมันเลว ก, กว่าเราใช่ไหมละ่ะ แล้วเราเนี่ยดีกว่าไซต์ตนยังไปขอผ่านโตตะเกียกอีกอ่ะเองเปลี่ยนมยเปลี่ยนความรู้สึกใหม่เปลี่ยนอัคด้าใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะเข้าใจนะแ mm hmm. ล้วตูชริกบิลอย่าไปผ่านโต ว, วัลีโตตะเกียแม่เจ้าแม่เจ้าพ่อที่ไหนะอย่าไปผ่านเลยนะต่อต่อมาครับสาเหตุที่อัลลอฮไม่ให้ไม่ให้มีชริกนะเพราะอะไรนี่อัสบับนี่สาเหตุนะ Mun. อินทร์ชิกะละทุลมุนอารีชิริกนั้นมันทุลมุนแปลว่าเป็นบาปโอ้โหเป็นบาปไม่ใช่บาปเล็ก้วยนะอารีมุนบาปใหญ่มหาเลยมันเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเรื่องชิริกครับฉะนั้นชิริกต้องไม่มีในบ้านเราชิริกไม่มีอยู่ในตัวเรา คณะไม่มีใครสำคัญในโลกนี้อัลลอฮ์สำคัญองค์เดียวเท่านั้นนี่คือความยิ่งอยากจากรุรอ่านที่เราจะรับความรู้จากอัลกุรอานอัลลอฮ์จะทำดีแล้วพี่น้องครับเอาพี่น้องเราอ่านกุลอานวันหนึ่งอ่านสุรฟาร์ติฮ่าเนี่ยกี่ครัง้งนมาถ้าเวลาเนี่ยสิบเจ็ดละกาดนะนมาสุนัตอีกสิบละกาดหรือสิบสองละกาก็อีกประมาณสิบละกาด ส0บสบครั้งอ่ะอันซุรฟัติฮ่าเนี่ยก็ประมาณสามสิบเจ็ดยี่สเจ็ดยเจ็ครั้งอ่านว่าไงนะอียากานาบูดูว่ า, า, าอยกานสตอยนเราไม่แปลว่าอะไรเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นตัวตะเกียมไม่เกี่ยวอียะกาแปลว่าเฉพาะท่านเท่านั้นเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นนาบูดูที่เราเคารพพักดี ว่าอียกะก็เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเราอ่านวันนักี่ครั้งยี่สิบเจ็ดครั้งแต่เพอไม่ได้ไปโตตะเกียร์แล้วไปโตระยองแล้วดูดูนั่นอีกวันจันเน่ยดูอะไรดูเรกดูยามดูนั่นดูนี่โอ้ก็อ็กอ่านคุรานยังไงละ่ะอียกะกันอาบูดูอียกะกันอสตัย พรไม่เข้าใจคนอ่านไงไม่เข้าใจกคนอ่านที่ตัวเองอ่านพอไม่เข้าใจก็ทําชีริกเต็มเลยอย่างนี้ล่ะทําบิดาด้วยเต็มไปหมดเลยอ่ะเฉพาะท่านเท่านั้นที่ฉันเคารพพักดีเฉพาะท่านเท่านั้นที่ฉันขอความช่วยเหลือไม่ต้องพานเจ้าพ่อเจ้าแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอัลลอฮฺแสดงว่าชีริกเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่ดีนั่นเป็นสิ่งแรกที่ลุกมานสอนลูกของเขา และอัลลอฮ์พอใจเลยนำเอาเรื่องลูกมานสอนลูกเรื่องชีริกเป็นเรื่องแรกที่สอนนั้นในครอบครัวเอามาเล่าให้นบีฟังนบีทำอย่างนี้แหละเป็นรูปแบบที่ดีให้เกิด น, นบีมุฮัมมัดสอนกับกับผู้เราด้วยในวันนี้ครับพี่น้องเอาต่อมาอายาที่สามิบสี่ก็ ชิริกนี่อลัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้นะแต่ลืมนะอินนัลลอฮะลายักฟิรูอิยุสรกาบิฮิวายักฟิรุมาดูนอ า, าลิกะลิมายะชะบาปอื่นๆอลัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นะบาปอื่นๆเนี่ยนอกจากชีริกนี่นะอลัลลอฮ์อาจจะอภัยโทษให้เพาะาพูดไปแล้วเนี่ยฉันอภัยโทษให้แต่บาปชีริกนี่ฉันไม่ยอมนะต้องนึกตลอดเวลาเลครับโอ้ฮมดุลิลย و َ و ลศัยนะอินษาน์บิวัَเดย์หาม الته อุมมุห์วะห์นั่นัَ่ลาวะห์วฟิ صال ุห์ฟี ع, ع َ م ي ن أنشكرلي ولوالديك إ ل َ ي, ل ال ي ا المصير d u l i l l ل <ير> ه و, و َ ص َّ ينا الإنسان بوالديه َ حملته ََُ أمه ُ وهن َ على َ وهن َْ وفصله َِ في عامين َ أنشكر ُْ لي ولوالديك َِ إلي المصير الحمد لل อัลลอฮฺน้ามาเอาเรื่องนี้มาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้พวกเราวันนี้ที่อ่นานคัมภีร์ให้ฟังบอกว่าควรทําดีกับใครก่อนอายาแรกเนี่ยอย่าตั้งอย่าทําสียเดกนะเรื่องที่สองรองลงมาใครวะวัสลอยนะและเราได้ได้ไรนะได้กำชับวาสิย์นะ่ะอาวาสิย์ ได้สั่งได้เสียเอ้ะครอบครัวนี้ยอะมันตายมันทําบุญสิยาตอะไรบ้างวะมีสั่งเสียอะไรบ้างไหมเขาสั่งไว้มีที่อยู่ร้อยไร่ให้สเราเนี่ย ส, สิบไร่นะโอนยังยอโยอมันอโอเลยฉันเอากลับ <laughs> ว้าวซ้อยนะเราได้สั่งเสียนะครับสั่งเสียอะไรครับอัลอินซานเห็นยังอินซานไปว่าไร มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมกาเฟ่ฮินดูประธานทั่วโลกเป็นมนุษย์บทอัลลอ์สั่งมนุษย์ทุกคนไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวล่ะเห็นไหมอัลลอ์เล่าให้เณรเบียมัดฟังให้พวกเราฟังว่าอัลลอฮ์นี่เป็นห่วงมนุษย์สั่งมนุษย์ทุกคนไม่ไม่ไม่ไม่อะไรไม่เฉพาะศาสนาใดนะ บิวาริไดฮีวาลิดวาจีตาพ่อแม่ของเขาทั้งสองให้ทำดีกับบิดามารดาของเขาทั้งสองอัลลออัลกบัยเห็นอย่างครับเนี่ยอัลลอฮเป็นห่วงนะเป็นห่วงพ่อแม่แทนว่าไม่รู้ว่าลูกจะทำดีกับพ่อแม่จะทำยังไงเลยสั่งให้คิดคิดถึงความลำบากของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ย ให้คิดก่อนบางคนมันคิดไม่เป็นนะ่ะมันคิดไม่ออกนะอ่ะเอ๊พ่อแม่ฉันต้องดูแลทำไมนะดูแลคนอื่นบ้างไม่ได้เด้อเอาพ่อแม่ก่อนทาไมเนี่ยเาลาสอนนะแม่กับพ่อเนี่ยใครเหนื่อยกว่ากันพ่อนี่ยเหนื่อยหาเงินแม่นี่ยเหนื่อยอยู่ที่บ้านแล้วก็เาลาสอนเองตอนอุ้มคัน วะวะสอ s นาอินซานาบิวาลีไดและเราได้กำชับมนุษย์เกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาฮามาล a ต h ู m ุ ม, มูฮูอุมูแบลว่าแม่ a ามาลา h แปลว่าอุ้มอุ้มหรือแบบอุ้มคันนั่นแหละแม่นะอุ้มคันนี่คูดถึงพูดถึงใครก่อนมะก่อนพ่อไม่ได้พูดใช่ไหย นี่ทั้งทั้งว่าลูกๆต้องคิดถึงแม่ก่อนเพราะแม่เนี่ยลำบากนะอันลำบากยังไงฮามาลัชหูอุมอ้มหูแม่อุมอ้มคันว่านั้นแปลว่าเหนื่อยแล้วอาลาว่านิวนว่าว่าเหนื่อยลำบากเพลียแล้วเหนื่อยเพลียลำบากแม่อุ้มคันอัลลอฮ์เล่าเองนะลำบากเหนื่อยเพลีย อุปสรรคเยอะมาตอนอุ้มคันเห็นยังครับนี่สอนลูกให้นึกถึงแม่นึกถึงแม่นึกยังไงโอมาอุ้มฉันมามาฉันนี่อัลลอฮฺอุอ้มตั้งครันฉันมากี่เดือนขนาดไหนมารูกคนทุกคนเก้าเดือนอย่าทรยศต่อแม่นะนี่อลัลลอฮฺสอนนะให้นึกถึงความลำบากของแม่ที่แม่รับผิดชอบดูแลเรามาขนาดไหน นี่คืออิสลามไหมอลลอฮฺ Allah, ขอบคุณอลลอฮฺทางั้นโดนนึกโดนนึกไม่ออกอ่ะบางทีโดนนึกตอนม้าด่าเราม้าตีเราก็มโมโหทตรงนั้นแหละไม่เอาให้นึกมามาอุ้มคุณมาลำบากขนาดไห น, นตอนเลีกเรียกะไม่รู้บางที่พอตโตวันนี้รู้ด้วยสิฉะนั้นวันนี้ม้าตายไปแล้วอัลลอฮฺเสียใจ อัลลอฮุมมังฟิลีวาลวาลิดายะขอดูอาเลยวันหนึ่งรอยร้ยครั้งก็ได้อมาจะอัลลอฮ์จอภัยโทษให้ม า, จากามาจากนจุนนกูโบด้วยนี่สอนให้เราคิดเป็น้องสลายอิสลามเนี่ยสอนในชายปัญญาใช่ไหมนี่ไงชายปัญญาแหละอัลอฮ์วะวะสอยนัลอินซานบิวาลิดัยและเราได้กำชับมนุษย์เกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาหามาลัตฮุมููแม่ของเขาอุ้มคันเขา ว่านั้นลำบากอลากบนว่านิ้นลำบากลำบากแล้วลำบากเล่าเพียแพรยแล้วเพียรเล่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าอธิบายง่้ยให้เข้าใจและยังไม่พออีกว่าฟีโซลูให้นมกินจนกว่าจะยานมกี่ปีอาไม่นี่สองปีที่เป็นกฎกติกาทั่วโลก ทำไมต้องสองปีพยา่านมยานหมดลูกมันดูดนี่อลัลลอฮ์สั่งนะอาไม่เนี่ให้นมลูกจนกว่าจะยานะกี่ปีสองปีเพื่อกับเด็กตัวเฉพาะกับลูกเราเองเลยลูกที่กินนมแม่เนี่ยสองปีครบฉลาดสติปัญญาอาลัลลอ์ให้ทิกมาเต็มไปหมดเลยวันนี้ชาวโลกต้องการที่จะ สามเดือนกินสามเดือนพอแล้วเยนมยาอัลลอ์ไปคิดทำไมตรงนั้นอัลลอ์สั่งก่านสองปีก็อสองปีแล้วใครที่ให้ลูกกินนมสองปีนะครับลูกอัลฮัมดุลิลลายิ่งแม่อ่านดูอาก่อนที่จะให้ลูกใช่ไหมอันกสิลลาฮ์พอกินแล้วอัลฮัมดุลิลลา์แล้วระหว่างที่ลูกดื่มนมอ่านกุนอ่านให้ลูกฟังจะขนาดไหนครับ ลูกเราจะไม่เสียคนลูกเราจะไม่ลืมบอหรอลูกจะไม่ทำชีวิตต่ Allah, อหรอเพราะแม่มีศาสนาอ่ะได้ไปข้ามานะ่ะตอนข้ามาสิต้องนึกเยอะนะจะนั้นข้ามมาก็ได้ต้เข้าอิสลามก่อนเรียนอิสลามก่อนไปสานที่ชนก่อนห้าหกเดือนไปเรียนก่อนอย่างน้อยกับเบล้วกับเรานั่นแหละอาจจะไม่ไม่ต้องไปเครียดอะไรเยอะแันนี้เป็นต้นตัวเ ล, ล้งว่าจะให้นมลูกกี่ปี เฮาไลนี่สองปีอาไม้นี่สองปีเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์กับลูกเราเองอัลลอฮอัลบัตรต่อมาครับอานิชกูรลีอัลลอฮสั่งตรงนี้ดีนะจงขอบคุณฉันอ่าให้ขอบคุณอัลลอฮอีกเห็นอย่างครับพอสอนว่าให้คิดถึงแม่แล้วก็ให้นมลูกสองปีนะยังไม่พอนะ ที่ฉันได้ให้ความรู้ผ่านนาบีผ่านกุรอ่านมานี่นะนี่เป็นความรู้ที่ดีที่สุดนำเอาไปใช้บนโลกดุรยาใบนี้จงขอบคุณฉันที่ให้ความรู้อันนี้มากรต้องรูกถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นให้ลูกกินนมบิสมิลลาห์อัลลอฮฺนึกเยอะๆวันนี้เราโตมาแล้วถึงขนาดนี้สติปัญญาเราดีหมดใช่ไหมในโรคอัลไซเมอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี นี่มะเลียง ม, มาดีไปเป็นอิหม่ามคนเราถูกแต่งตั้งให้เป็น น, น้นเป็นนี่เป็นกรรมการนี่ฝีมือมะมดเลยอ่ะถ้ามะให้กินนมกระป๋องปัณนี้มันโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะพ่อๆกระแพะไ้ก่อนึกเยอะแต่นั้นขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ความรู้ผ่านนบีผ่านกูรานให้ดูแลพ่อแม่พ่อแม่ดูแลเรามาให้นมกี่ปีสองปีท่าวันลําบากไหมลำบากครับ เอาต่อมาครับวาลีวาลีดกับขอบคุณของฉันแล้วไม่พอต้องขอบคุณใครพ่อแม่ของท่านทั้งสองแสดงว่าตําแหน่งของพ่อแม่นั้นคู่กับใครคู่กับอลรถทีหนึ่งอรรถบรรไดขั้นที่สองคือพ่อกับแม่ครับมะกับมะเรากับป้าเราเนี่ยเราต้องสนใจใครมากกว่ากาันทุเรำมะจาเป็นพิเศษนะพ่อมะเหนื่อยกว่านะตอนอุ้มคันนะ แล้ว้วมคันน่ะแปน่ะผมนั่งคุยกันหลายๆคนงงูน่ะเห็นคนท้องเดินมาเนี่ยมันไปไม่ไหวอ่ะมันเลื้อยไม่ไหวอ่ะให้เกียรติเด็กที่อยู่ในท้องถ้ากระโดดเด็กอาจจะมีอันตรายก็ได้เห็นยังครับสัตว์รายมาอย่างงูนี่ไม่กล้าเลื้อยเลยเนี่ยเราสารั่งมาอย่างนี้ทานี้อย่างนี้อย่างนี้ อิลายะมสัสยดยังฉันคือที่กลับทุกคนต้องตายหมดตายแล้วต้องฟื้นฟื้นแล้วต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอลัลลอฮ์นั่นคือเป้าหมายสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนฉะนั้นนึกถึงอลัลลอฮ์เยอะๆเพราะคุณจะต้องกลับไปยืนอยู่ต่อหน้าฉันแล้วนึกถึงพ่อแม่คุณอลัลลอฮ์จะให้รางวาัลตอบแทนกับลูกที่คิดถึงพ่อแม่ตัวเองโอพี่น้องฉะนั้นลูกที่มีศาสนานดีๆ น, นะ พ่อแม่นอนอยู่ในกูโบขออุดอัลลอฮ์รับมีอยู่สามอย่างที่พ่อแม่ตายไปแล้วนะหนึ่งวารดุลซอลิอลหุยยดงอุลลูลูกขอดุอาให้พละบุญถึงหมดเลยลูกทำความดีอื่นๆสแล้วก็ความดีถึงมาป่นอนอยู่ในกูโบความรู้ที่ลูกมีที่สอนคนอรักกคนเป็นน้องถึงพ่อแม่หมดเลยพ่อพ่อแม่เหนื่อยมากับฝีมือของพ่อแม่เองนะครับทีนี้ กูอานอธิบายอย่างงี้อยู่กับพ่อแม่ให้ทํนอย่างงี้ข้อที่หนึ่งอย่าพูดคำว่าฮุฟเฮ้ยอย่านะถ้าพูดไปแล้วต้องต บ, บ้าตัวอัสตัฟิโลชันขอต บ, บ้าตัวตอนละฉันเสียใจมากเลยข้อที่สองวาลาตันฮารูมายาตวาวท่านอย่าไล่ท่านไปๆๆๆไคุณ ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่รู้เรื่องอะ อลลเอาลอยเอ็งคุยยังกระแพะอ้อย่าทำเอาลอยห้ามนะอย่าทำนะข้อที่3ามวากุลละหูมาเกา้ลังการีมาพูดจ้าพอเพราะพูดจ่าดีๆครับครับอะไรก็าตามโอปี่น้องข้อที่5ข้อที่ 4, 4วักฟิดละหูมาจันาฮัจดลุลเลมินะรามาจงอะไรลดปีกนกมีปีกเห็น เราเนี่มีปีกแต่มองไม่เห็นตําแหน่งประธานชมรมปีกสอสอปีกสวลากตั้งปีกจะเลือกตั้งแนะลากมีตําแหน่งรนสังคมนั้นปีกทั้งหมดแต่มองไม่เห็นลดให้หมดปีกที่คุณมีอยู่ในสังคมต่อหน้าใครต่อหน้าพ่อแม่ที่ใครสอนเอาล่ะสอน อย่าไปแท้ๆไปหยิงกับพ่อแม่นะใครยิงกับพ่อแม่อัลลาะห์ันใส่คนคนนี้เท่า น, นนอบน้อมถอมตอนต่ออัลเลาะหข้อที่5ดุอาอขอดุอาให้พ่อแม่ทุกวันครับร็อบบิอัฟิลลีวะลิวาลิดายะวะห์มมัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซะกรอัลเลาะหเป็นนักก็ใครที่ทําให้พ่อแม่เสียใจอัลลาะก็เสียใจ ทำให้ใครทมาแม่ก่ดีใจเอาล็ก็ดีใจอยู่ที่พ่อแม่มุดเลยนะเอาอยสุดท้ายครับพี่น้องว่อินเจฮะดะกะอัลันทุษริกับิมาดัซาลักับอิฮิอิล فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا วَ ت ต ب ِ ع سبيل من أنا ب إ ل ي ا ثم إلية مرجعكم فأنبئكم َ بماكنتم تعملون الحمد لله كمرو من لك و ِ ن ج ا ه د ك ع ل أ َ ن تشركبي ما ليس لك به علم فلا ت, <ون> ت, ت ط ِ ع ه م ا ว่า صاحبهما ใน الدنيا มากุโรฟาวัดตั้บีษะบิลัมันอานาบิลัยซุ่มมาอีลายะมรจุกุมฟาอุนบิอุคุมบิมาคุนตุมตัมมาลู alhamdulillah ยัสตักับไว้อินถ้าหากจ้าฮดากะพ่อแม่ ทั้งสองบังคับยามูยาฮัยด้านแล้วก็ต่อสู้แต่ชาภาษาคือบังคับถ้าพ่อแม่ทั้งสองนี่นะบังคับลูกบังคับลูกคนไหนก็ได้ไปนอนครับนี่กูอ่านสอนนะเลาให้ดบีฟังนะถ้าพ่อแม่คนใดบังคับลูกให้ทําชีริกต่ออัลลอฮ์อ่าอัลอัลตุชริกะบีถ้าพ่อแม่ทั้งสองบังคับท่าน ให้ตั้งภาคีต่ออัลลอ์อ้างก็ได้ถ้าไม่ถ้าไม่กราบเวิตฉันไม่ให้มารดก <c oughs> อาแขมรรดกในลูกก็หูวันแล้วเราไม่ต้องวนันลูกจะเป็นมุสลิมมีไม่มีครับและพ่อแม่เครื่องทุกคนส่วนหญ่เครื่องหมดแต่เครื่องระยะหนึ่งปีสองปีสามปีเจ็ดปีเดี๋ยวก็ ลืบแล้วใช่ไหมแต่ให้ทําความดีกับพ่อแม่ตลอดแต่เนี้อัลลอฮ์เล่านะถ้าหากพ่อแม่ทั้งสองเนี้ยมาบังคับลูกให้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งยังไงรู้ไหมมาไลซาลกาบิฮัยโดยที่ลูกไม่มีความรู้ในข้อนั้นอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่านะลูกเนี้ยไม่รู้หรอกว่าการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี้ยมันบาปขนาดไหน คืลูกอาจจะไม่รู้ไปมองแค่มรดกฉันให้ที่สิบไร่อยู่หน้าสีคนเราก็นึกโอโราคาเท่าไร่ะนึกตรงนี้แหละ่ ะ, ะายารับนนะชิริกนะ้ำมันบาปหนักที่สุดคนตกนรก บ, บ้านปลายของชีวิตทำทำไมต้องนึกผลประโยชน์ด้วยประโยชน์ดุญยาอาคือเราต้องนึกครับนึกตลอดเลยนะ พ่อแม่บางคนบังคับมีไหมมีครับเนี่ยอัลลอฮ์สอนนะคนที่เป็นมุสลิมวันนี้ถ้าพ่อแม่บังคับให้ลูกทํานู่นทนํานี้ถ้าไม่ฟื้นคําสั่งอัลลอฮ์ทำได้เลยแต่เรื่องใหญ่เรื่องชีริกอย่าทำนะครับฟาลาตุเตหูมาสั่งไงนะอย่าเชื่อและปฏิบัติตามพ่อแม่พอ พ, อ, พอไม่เชื่อเนี่ยมันก็เสียหายแล้วนะแต่อัลลอฮ์สั่งต่อไปอีก ว่าซอฮัยบะหูมาแต่จงอยู่กับท่านทั้งสองไม่ให้ทิ้งท่านไปฟิตรุ่ย ญ, ญาในโลกดุนยาใบนี้มารูฟาอย่างดีที่สุดเรื่องเดียวที่ไม่รับคือเรื่องคำสอนข้องที่แม่พ่อแม่เตือนให้ไปกราบจเจวตเนี่ยฉันไม่ทำนะ แต่ว่าระวังที่มีชีวิตอยู่บนดุลยานี้ให้ทําดีกับพ่อแม่ทั้งสองพาไปโรงพยาบาลคุยกับท่านดีๆนะครับให้เกียรติท่านเอาเงินทองให้ท่านโอ้ขอดวอาให้ท่านหลอดเวลาพี่น้องล้วขอที่ดีคืออลัลละฮฺจะให้มะชันยอฉันที่ไม่รับอิสลามนี่นะให้เข้าใจพระอลัลลอฮฺเปิดใจด้วยเถอะขอให้รวยได้ขอได้หมดเลยครับแล้วก็ ตัลังว่าให้ทำดีกับพ่อแม่ทั้งสองใช่ ไ, ไม่ใช่แม่ไม่ใช่มุสลิมก็ทำได้ไั้มได้อ่านี่กันยังชี้นำเอาไว้เป็นความรู้หมดเลยต่อมาครับวั ต, ตบียจงปฏิบัติตามซาบีละขนทางมัณ น, นาบะอิไละยะขนทางของผู้ที่หันหน้าสู่ฉันคนดีๆนะครับ ตัวอย่างดีๆในโลกนี้มีครับให้ศึกษาซะคนที่หันหน้าสู่อัลลอฮ์เนี่ยให้เอาตัวอย่างคนนั้นมาเป็นแบบอ้างขอยกตัวอย่างท่านสัดินอบบวะกอสมารับอิสลามแม่ไม่พอใจมีประวัตินะแม่ว่าฉันจะประท้วงไม่กินข้าวไม่กินน้ำ จนกว่าลูกจะหันมาทิ้งอิสลามแล้วหันมานับถือเจเวดเหมือนเดิมแม่พูดโหแม่สาบายเลยนะฉันขอสาบานนะฉันจะอดข้าวอดน้ําจนกว่าลูกจะหันมารับ <c oughs> รูปเจเวดเหมือนเดิมแล้วทิ้งอิสลามท่านซราตอบานใช่ไหมขอให้แม่ตายร้อยครั้ง อดข้าวแล้วตายแล้วก็มีมีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วมาอดตายอีกร้อยครั้งนะฉันจะไม่ทิ้งอิสลามอัลลอฮ์อธิบายให้นดีฟังวัตตาเบียไอกรูปแบบแบบนี้นะปฏิบัติตามเลยซาบีละมันอานาผลทางของคนที่หันหน้าเข้าสู่อัลลอฮ์แล้วพี่น้องครับจะมีอะไรมีอุปสรรคพ่อแม่จะประท้วงเท่ไหน เขาไม่ยอมตามพ่อแม่นี่หนทางที่คนที่หันใบหน้าของเขาสู่อัลลอย์อย่างแท้จริงคือท่านซะบิน <cimento> อบีิวากอสแม่ประท้วงถึงว่า <ensemble> ทั tamam. ้งแม่เองก็ต้องเลิกอ้กูยอมยอมยอมกูยอมเมืองกูยอมเมืองนี่คนเหล่านี้เนี่ยนะเป็นบุคคลตัวอย่างปฏิบัติตามได้เลย แล้วก็นบี ม, ม, มบุฮัมมัดบรรดาซา่นบีทั้งหมดคนมุมิทั้งหมดในโลกนี้นะครับที่เารัอิสลามกันมาพี่น้งพแม่ไม่พอใจกัเยอะเยอะหมดนะแต่เขาก็ทำดีกับพ่อแม่มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะพ่อแม่ลูกรับอิสลามพ่อแม่โกรธเขาก็ขอไปเยี่ยมแม่เดือนละครั้งปีละครั้งในวันวันอะไรวันคริสต์มาสก็ไปพระตอตอมามัเอาลอสอนใจ ขอไปเยี่ยมพ่อแม่ทุกเดือนได้ไหมแม่ว่าได้ได้ไปไปอยู่มาสามปีฉันขอทุกอาทิตย์ได้ไหมแม่ว่าได้ได้ได้พอต่อมาพ่อว่าขอรับอิสลามคนได้ไหมดีจริงๆเนี่ยจากหนึ่งปีมาเป็นหนึ่งเดือนจากหนึ่งเดือนมาเป็นทุกอาทิตย์มาเยี่ยมพ่อเราดูแลพ่อแม่อย่างดีฉันขอรับอิสลามอีกคนหนึ่งเห็นไหมถ้าเรายืนหยัดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เปิดใจเอาต่อมาครับ สุมาอิไลยามารยาอักุมที่กลับของพวกท่านทั้งหลายนั้นกลับไปหาฉันหมดเลยอิไลยาอย่างฉันนะมารยะบทที่กลับหรือมัสริดนะคำเดียวกันอิไลยมัสริดอิไลยามารยาอัลกุมที่กลับของพวกมนุษย์ทั้งหมดของสูรเจ้านั้นต้องกลับไปหาอัลลอฮ์หมดเลยเพอกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ทำไงรู้ไหมฟาอูนับบีอักุมฉันจะแจ้งให้คุณรู้ แจ้งให้คุณทราบที่พื้นหลังตอนแรกว่าตาเรากระพริบวันกี่ครั้งอยู่ในบัญชีหมดเลยมองของคารามกี่ครั้งอยู่ในบัญชีหมดเลยนะครับแล้วก็พูดภาษากี่ครั้งอยู่ในบัญชีหมดเท้าที่ก้าวเดินไปทําความดีมีกี่ครั้งอลลอรู้หมดไปทําของค้าราค์เ ข, ข้ามาสัสยิดมีบัญชีหมดเลยฉะนั้นฟาอูนับเบุกุมฉันจะแจ้งให้คุณรู้ที่คุณมี มีมีชีวิตอยู่บนดุลยานี่ยกีย่ปีกี่ปีคุณทําอะไรบ้างฉันจะ ก, กระจายให้คุณไล่ให้คุณฟังแบบละเอียดยิบหมดเลยพระอุนาบิโยกุบิมากุนตุมตามาลูในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติบนโลกดุลยาใบ น, นี้โอันวักนี้นะจนจบแล้วทำอะไรไม่ออกลแล้ว อ, อลวอยยอแพร่ลอยตาลาวันนี้อะไรให้เรามีชีวิตอยู่ต้องนึกขอบคุณ Allah อายายายอลอตเยอะอัลฮัมดุลลาห์เป็นทางการ Mod Waktu Naikkan Masa Lain Nanti La Subhanaka Allahumma Wa Bihamdika Sulayyilahillah Anta Astagfirullahatu Biilaih Wasallam Wallahu Muhammad Wallahi Wasabih Azzmani Walhamdulillahi Rabbil Alamin